กรรมบางตาวาสนาน้อยมีคนถามว่าทำไมบางคนเขาก็เคยมาอยู่วัดมาอยู่ตรงนี้เหมือนกันแต่เขากลับไม่พบไม่รู้ไม่เข้าใจธรรมะอย่างที่คนอื่นพบข้าพเจ้าคิดว่ามันคือกรรมคือบุญวาสนาของเขาน้อยซึ่งเป็นผลมาจากการสะสมของอกุศ ล, ลกรรมชักนำให้เขาไปตามที่อยากไม่อดทนทำไม่ตลอด ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ทั้งที่อุตส่าห์ได้มาพบท่านได้มาอยู่วัดแล้วกรรมนี้เป็นตัวกําหนดเจ้าของให้มีความคิดอ่านการฟังหรือไม่ฟังครูบาอาจารย์อะไรหลายอย่างการภาวนานี้ต้องทําให้ตลอดทําให้ต่อเนื่องมันช้าแต่แน่นอนหลายคนที่ท่านสอนวิธีแก้จิตวิธีขัดกลาวกิเลสให้ถ้าทําตามและทำอย่าให้ขาดสายจิตก็จะไม่หลุดไปหลงโลกจิตไม่ตกอีก และการฟอกจิตการภาวนานี้อยู่บ้านก็ทำได้คือ 1. ทําทำหน้าที่ตามบทบาทของตัวเองให้ดีไม่ว่าจะทำหน้าที่ลูกพ่อแม่สามีภรรยาอะไรต่างๆให้ทำให้ดี 2. รักษาศีลห้าให้เหนียวแน่นเอาไว้คุมความประพฤติ 3. ก็ภาวนาอยู่ที่บ้านจะสวดมนจะนั่งสมาธิก็ทำไปให้ตลอดแล้วสร้างบุญทานเป็นระยะอย่าให้ขาด ถ้าเลือกท่านเป็นครูบาอาจารย์ก็ส่งปัจจัยก็ได้ส่งมาถวายทาบุญกับท่านทำบ้านให้เป็นวัดทำบ้านให้เป็นสวรรค์แล้วก็หาเวลามาวัดกราบครูบาอาจารย์บ้างสมัยก่อนข้าพเจ้าก็ทำแบบนี้